อหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตนินขึ้นมา แล้วก็นามาไลฟังเป็นนิยามปรามปรกาการจาหลังจากที่มีสาธุชนชุดเตรียมบวชผ่านการคัดเลือกและก็ได้รับความมิชอบจากพระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระเริ่มถึงท่านมหาเสนาบดีและพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดใหม่ของพระเถระให้บวชแล้ว บรรดาสายชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้นก็จะเกิดความรู้สึกปราบริ่มปิติใจภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแก่วงตระกูลอย่างสุดๆที่ตนเองจะได้ออกบวชสร้างบารมีอยู่ในเพศสมณะกับพระเถระเพศปะวาระของนักบวชนี่เป็นเพศปาร ะ, ะอันสูงส่งเป็นชีวิต ส, สุดท้ายในสังสารวัตรนี่นะจ๊ะ เมื่อสาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้นได้ออกบวชเป็นพระภิกษุแล้วพระเทละผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเทหละก็จะเมตตาตรวจดูท่าธรรมหรืออธิยศาัยในการสร้างบารมีที่ติดตัวมข้ามพบข้ามชาติของพระภิกษุรูปนั้นๆว่ามีท่าธรรมอะไร oh. นี่เนาะ ในพุทธันดอนที่ผ่านมาเลยจซึ่งถ้าทาหรืออัตยสัยในการสร้างประมีที่ติดตัวมาข้ามพบข้ามชาตินั้นจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทหรือสีฝ่ายหลักๆด้วยกันโดยถ้าจะให้อธิบายแบบคร่าวๆสั้นๆพอได้ใจความก็สา ม, มารถอธิบายได้ดังนี้เลยจ้าอยากฟังไหม บางทีนักเรียนใหม่อาจจะฟังแล้วจะตระนกเป็นงงว่าไอ้ไม่ เ, เหมือนไม่เคยได้ยินอะไรนี่เนาะทนะ่าทำประเภทที่หนึ่งคือถ้าทำนักครบหรือถ้าทำธรรมวิชาสําหรับนักสร้างบารมีที่มีท่าทำประเภทนีน้จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ทํางานทางใจ นั่นก็คือการนั่งสมาธิและมุ่งทาความละเอียดเข้าไปสู่ภายในเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึอกอันสูงสุดที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเป็นหลักแล้วเมื่อนักสร้างบา ร, รมีที่มีท่าทารแบบ น, นี้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วพวกเขาก็จะได้ศึกษาวิชาธรรมกาย จะได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวความจริงของชีวิตว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทําไมอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิตหรือตายแล้วไปไหนอะไรเป็นเบื้องหลังความสุขความสําเร็จหรือความทุกข์และอุปสรรคของชีวิตไล่เรื่อยไปจนกระทั่งสาวไปถึงเรื่องราวของกิเลสอาสวะและแรงผลกิเลสอาสวะ ซึ่งคือพยายามมาในคอยบังคับบัญชาและทำให้มนุษย์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตอันยาวนานที่หาเบื้องต้นทำกลายและที่สุดไม่ได้นี้พร้อมกับทำวิชาปราบมารเพื่อปิดโรงงานผลิตกิเลสและมุง่งสู่ที่สุดแห่งธรรมเป็นต้นถ้าทำประเภทที่สองถ้าทำเผยแผ่ สำหรับนักสร้างปรมีที่มีท่าธรรมประเภทนี้จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ประกาศธรรมหรือเผยแผ่ธรรมะให้แมหกมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายเป็นหลักปฏิมาหาชนทั้งหลายจะได้ทราบถึงเรื่องลาความเป็นจริงของชีวิตที่ว่าคนเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิต ได้อย่างไรหรือเรื่องของบุญบาปและกฎแห่งกรรมเป็นต้นถ้าทาประเภทที่สามคือถ้าทำปฏิสังขรน์สำหรับนักสร้างบรมิติมีท้าทำประเภทนี้จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ก่อสร้างาศาสนาสถานที่สำคัญสำคัญที่ใช้สำหรับการไววแบบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย เพื่อไว้อรัรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสำเนนบอดสกปริกาและมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายอยาญานักสร้างบรมีที่มีท่าทำประเภทนี้จะมีหน้าที่ก่อสร้างแล้วพวกเขายังต้องรับหน้าที่ในการดูแลรักษาหรือปฏิสังขรนวัดวาอารามให้แลดูสวยสดงดงามและเหมาะสมแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมออีกด้วย และสุดท้ายถ้าทมประเภทที่สีคือถ้าทำกองสเสบียงสำหรับนักสร้างบรมีทีิมีา้าทำประเภทนี้จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนปัจใจสีส่งเถอาเป็นสเสบียงกลางของนักครพกองรับทำไม่ว่าจะเป็นค่าปราอาหารหรือเครื่องใช้ไม้ใส รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้ใช้ในการสร้างบารมีให้กับท่ า, าทั้งสามฝ่ายข้างต้นปฏินักสร้างบารมีทุกคนจะได้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายไร้กังวล น, นั่นเองมีหน้าที่ไปรวยเนะาะประเภทที่สีดังนั้นเมื่อพระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระได้ตรวจสอและทราบว่าพระภิกษุ ผบวชหม่มีท่าธรรมอะไรแล้วพระเถระตั้งใจมอบหมายให้พระภิกษุผู้บวชใหม่รูปนั้นได้ทําหน้าที่ไปตามผังหรือตามท่าธรรมของตัวเองยกตัวอย่างเช่นตาหักพระเถระตระตาดูท่าทรบของพระภิกษุผู้บวชใหม่และพบว่าพระภิกษุผู้บวชใหม่มีท่าธรรมวิชาพระเถระก็จะเมตายพระภิกษุรูปนั้น นั่งธรรมะทาความละเอียดให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เรากำลังพูดถึงพุทธันดรที่ผ่านมานะเมื่อไรที่พระภิกษุรูปนั้นสามารถบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายและสามารถศึกษาวิชาธรรมกายได้แล้วเพราะนั้นพระเถระก็จะส่งตัอพระภิกษุรูปนั้นเข้าสู่โรงงานทางวิชานยุกนั้นเป็นลาดับต่อไปโรงงานคนวิชาเนาะ แล้วาหาพระภิกษุผู้บว์ใหม่มีทาตรรมเผยแผ่พระเทหละก็จะเมตตาส่งตัวพระภิกษุผู้บว์ใหม่รูปนั้นไปฝึกเรื่องการเทศสอนกับท่านมหาเสนาบดีเพื่ออบรมและพัฒนาต่ยอดให้เป็นพระธรรมกถึกหรือพระอาจารย์ที่มีหน้าที่เทศสอนสาธุชนที่มาสั่งสมบุญทิวัดใหม่ต่อไปเป็นต้นถึงทัานมหาเส น, น, น, นาบดีก็จะรับพระภิกษุที่มีทาธรรมเผยแผ่ทั้งหมด มาสอนถึงหลักการอุดมการและวิธีการในการเป็นพระอาจารย์เทศสอนสาธิชนผู้มีบุญอย่างใกล้ชิดโดยพระภิกษุรูปนั่งได้ศึกษาละคคว้าข้อมูลการเทศจากตำรับตำลาและคำภีธ์ต่างๆในพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการฝึกสมาธิ แต่ด้านธารรมะเสนาบดีก็จะให้พระภิกษุรูปนั้นนำธรรมที่ศึกษาคนฟ้า ม, มาได้มาปรีเซน้นหรือประเทศให้ตัวท่านฟังพฏ <c oughs> ิธรรมะเสนาบดีจะได้ซักถามถ <c oughs> ึงรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติมในการที่จะพัฒนาและต่อจากความรู้ของพระภิกษุรูปนั้นนั้นต่อไป เรียกได้ว่าพระภิกษุที่ผ่านการติวเข้มธรรมะจากท่านหมหาเสนาบดีนั้น <c oughs> <c oughs> จะแตกฉานและก็มีความเนีย <c oughs> เ๊ยบเฉียบเป๊ะในธรรมะอย่างสุดๆไปเลย <c oughs> นี่เนาะนอกจากท่านหมหาเสนาบดีจอบรมดูแลและชีแ้แนะแนวทางการเทศน์สอนให้กับพระภิกษุที่มีท่าธรรมเผยแผ่แล้ว ต่มาสน้าบัด ย, ยังได้ฝึกให้พระภิกษุรรถนั้นรูปนั้นอนาจารย์มีศีลารจารวัตในการเป็นพระอาจารย์ที่งดงามอีกด้วยคือไม่ว่าจะเป็นการลุกการนั่งการยืนการเดินหรือการขบฉันปัตถ า, ารก็จะต้องมีท่าทีที่สง่า ง, งามแบบเนียบเฉียบกริบเนียบเฉียบกริบอย่างไม่มีที่ติเลยทีเดียว ไม่เพียงแค่นั้นธรรมเสนาบดียังเขี้ยวเขยนให้พระภิกษุเหล่านั้นซึ่งมีท่าธรรมไหวแปวมันประพฤติปฏิบัติโคบคู่ไปกับการค้อนคว้าทำหลับทำลายอีกด้วยจะเป็นเช่นนี้ก็เป็นพระธรรมหาเสนาบดีเล็งเห็นถึงประโยชน์สำคัญว่าพระภิกษุที่จะออกไปทำหน้าที่เทศสอนสาธุชนทุกรูปจะต้องเพียรพร้อมไปด้วยปริยัต ปฏิบัติปฏิเภตก็จะตั้งมีธรรมะปฏิบัติที่ดีมีความรู้ศึกษาฝึกฝนใลใจและก็ปฏิบัติจนกระทั่งก้าถึงพรัธรรมกายภายในให้ได้ปฏิบัติวิสูานั้นจะได้นำรัสบการนัมมะภายในที่ตนเองได้เข้าถึงไปถ่ายทอดและไปแนะนำให้กับมหาชนผู้มีบุญเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญที่สุดเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นมีธรรมะเป็นที่พึ่งทั้งภายนอกและภายในหรือเข้าถึงพระธรรมกายแล้วความสุขการเกิดจากธรรมะทั้งภายนอกและภายในนี้จะได้เป็นที่พึ่งในยามที่พระภิกษุเหล่านั้นจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนั่นเองพอเราไปเผยแผ่ ก, ก็ได้แต่ตัวกับหัวใจกับนโยบายไปเท่านั้น ข้างน้าไปหาเอาเองข้างหน้าถ้ามีศีลศีเลนโภคสัมปทานี่โภคทัพย์ก็เกิดขึ้นส่วนว่าหลังจากที่พระเถระอัจา ร, รมหาเสนาบดีได้เจอกันอบรมพระบวชมาอย่างเต็มที่จึนทำให้พระภิกษุที่จำพรรายอยู่ที่วัดใหม่มีความสงบสงเงยมสง่างามและมีศีลาจรวาทที่งดกามแล้ว เมื่อสาวิจจนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดใหม่ของพระเถระเพื่อสืบท้าวิชาต่อจากพระมหาเถระเต็นศีลาจารวัดอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดใหม่แล้วแต่และคนต่างก็เกิดความรู้สึกปลื้มปีติใจและก็เคารพเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดใหม่เป็นอย่างมาก จะทำให้แต่ละคนเกิดความปรารถนาอยากที่จะเดินทางระสังสมบนิวัิใหม่อยู่เป็นประจำนี่ความเลื่อมใสในศีราชวัดนี้นะจ๊ะไม่เพียงเท่านั้นเมื่อสาธิชนเหล่านั้นได้เดินทางกลับไปถึงที่หัวเมืองของตัวเองแล้ว แต่และคนต่างก็เอาเรื่องราวที่ตัวเองรู้สึกประทับใจในช่วงที่ได้เดินทางมาสังสมบุญณิวัดใหม่ของพระเถระมาเล่าคนที่ตัวเองรักและบุคคลที่รู้จักฟังซึ่งเป็นผลทำให้ผู้ที่ได้รับฟังเรื่องราวความประทับใจเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและรู้สึกอยากที่จะเดินทางมาสแสวงบุญณิวัดใหม่ในตัวของเขาเอง ความเป็นเชี้จึงทําให้กิติศัร์บันไดงามของวัดใหม่ได้แพร่ขยายและกระจายกระจายออกไปทั่วทั้งแควน้นจินกระทั่งไปถึงแคว้นเพื่อนบ้านใกล้เคียงและแคว้นต่างๆที่อยู่โดยอรอบแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชเ<า>มื่อประชาชนที่อยู่ภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชและแคว้นเพื่อนบ้านใกล้เคียงเริวมไปถึงแคว้นต่างๆที่อยู่โดยรอบ แต่ยิ่งกิติศัพท์อันดีงามของวัดใหม่ของพระเถระแล้วประชาชนเหล่านั้นต่างกําลังไหลาพากันมาฟังธรรมและสั่งสมบุญที่วัดใหม่กันอย่างมากมายและหลังจากที่ประชาชนลนั้นได้มาฟังธรรมและสั่งสมบุญที่วัดใหม่แล้วพวกเขาต่างก็เกิดความรู้สึกประทับใจในศีลธรรมวัดและข้อวัดปฏิบัติ ของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดใหม่เป็นอย่างมากและด้วยความรู้สึกประทับใจในสีลายจระวรอันงดงามของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดใหม่นี้เองจึงทําให้สาธุชผู้มีบุญเหล่านั้นได้มากราบขออนุญาตพระเถระให้เมตตาส่งพระภิกษุไปประจำอยู่ที่หัวเมืองของตัวเองบาง พระพวกเขาอยากที่จะสังสมบุญกับพระภิกษุที่มีศีลารจรวัตอันงดงามเช่นนี้อยู่เป็นประจำะเมื่อพระเถระผู้สืบทาศวิชาที่ทราบถึงความปรารถนาของสาธิชนผู้มีบุญเหล่านั้นแล้วพระเถระก็ได้เมตตา ม, มอบหมายให้ท่านมหาเสนาบดีไปผู้ดูแลเรื่องการส่งพระภิกษุไปเผยแผ่ต er er ามเขตหัวเมืองต่าง ทั้ภายในแคว้นและภายนอกแคว้นหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้รับว่าหมายหน้าที่ดังกล่าวจากพระเถระแล้วท่านมหาเสนาบดีก็ได้ทนมเททําหน้าที่นี้อย่างเต็มที่เต็มกําลังโดยก่อนที่ท่านมหาเสนาบดีจะทรงพระภิกษุไปเผยแผ่ตามหัวเมืองต่างๆทั้งที่อยู่ภายในแคว้นและภายนอกแคว้นนั้น โดยท่านก็นจะพิจารณาถึงองค์ประกอบหลายหลายอย่างหรือโดยสภาพโดยรวมของหัวเมืองนั้นๆก่อนยกตัวอย่างเช่นประชาชนที่อยู่ในหัวเมืองนั้นๆมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนหรือกลุ่มสาธุชนผู้มีบุญที่อยากจะนิมนต์พระภิกษุไปประจำอยู่ที่หัวเมืองแห่งนั้น มีความเข้มแข็งและสมัครสมานสามัคคีกันดีหรือไม่หรือภายในหโมเมืองนั้นๆมีวัดตั้งอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นต้นแล้วยทิฏฐธรรมหาเสนาบดีได้พิจารณาไตรตรองดูถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างละเอียดทุวนดีแล้วโดยท่านจึงได้ทําการคัดเลือกพระภิกษุที่มีหน่วยก้านดี มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่พระนมาเทรนหรือฝึกอบรมพิเศษเพิ่มเติมก่อนที่จะทรงไปเป็นพระอา จ, จารย์อยู่ที่หัวเมืองนั้นๆและในช่วงที่ทำมหาเสนาปฏีกำลังเทรนหรือฝึกอบรมพิเศษอยู่ที่วัดใหม่อยู่นั้นสาธจร์ผู้มีบุญที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆก็จะร่วมแรงร่วมใจกันก่ อ, กอสร้างวัดขึ้นมา ในพื้นที่ของตัวเองเตรียมรองรับพระมิสุต ท, ที่ผ่านการฝึอกอบรมจากท่านมหาเสนาบดีแล้วนั่นเองในระหว่างที่สาธิชนผู้มีบุญเหล่านั้นกำลังร่วมแรงร่วมใจกันขอสร้างวัดขึ้นมาในพื้นที่ของตัวเองนั้นพระภิสุต ท, ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปเป็นพระอาจารย์อยู่ในพื้นที่แห่งนั้น จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนพร้อมกับให้กำลังใจสาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นอยู่เสมอเสมอจนกระทั่งมาวัดในพื้นที่แห่งนั้นสร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์ท่านมหาเสนาบดีก็จะเมตตาเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดวัดแล้วก็อยู่ประจําที่วัดแห่งนั้นอยู่สักระยะหนึ่งเพื่ออพรมและเทศสอนธรรมะให้กับสาธุชน ผู้มีบุญที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้น<ะ>ค่อยมีอะไรใหม่เลยน ะ, ะและเมื่อสารชนผู้มีบุญที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นมีความเข้มแข็งและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วท่านมาเสนาบดีก็จะมอบหมายให้พระภิกษุที่ตนคัดเลือกหรืออบรมมาเป็นอย่างดีแล้ว ดูแลวัดและสาธิชนผู้มีบุญเหล่านั้นต่อไปแต่หลังจากที่พระภิกษุรูปักล่าวประจาอยู่ที่วัดแห่งนั้นไปได้สักริยะหนึ่งแล้วท่านมาเสนาบดีก็จะนิมนต์พระภิกษุรูปนั้นให้กลับมาที่วัดใหม่แล้วก็ส่งพระภิกษุรูปอื่นไปเป็นพระอาจารย์อยู่ที่วัดแห่งนั้นแทนคือพูดง่ายๆว่า ท่านมหาเสนาบดีได้จัดระบบให้มีการหมุนเวียนรปรัดเปลี่ยนพระอาจารย์อยู่เป็นประจํานั่นเองนี่นะจ๊ะส่วนสาเหตุที่ท่านมหาเสนาบดีได้จัดระบบให้มีการหมุนเวียนปลัดเปลี่ยนพระอาจารย์อยู่เป็นประจําโดยไม่มีนโยบายให้ไปอยู่ประจําแบบถาวรเลยนั้นอันนี้ก็เป็นเพราะท่านมหาเสนาบดีอยากให้พระวิสูจิร ล, ลูก ได้มีโอกาสกลับมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทบทวนข้อวัดปฏิบัติของความเป็นพระที่วัดใหม่อยู่เสมอเสมออีกท้งพระวิสุทธ์แต่ละรูปจะได้มีโอกาสกลับมาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมจากพระเถระผู้สืบทอาวิชาอีกด้วยหลังจากที่ท่านหมาเสนาบดี ไอ้สรงพระภิกษุแต่และรูปไปเป็นพระอาจารย์อยู่ตามหัวเมืองต่างๆทั้งภายในแควนและภายนอกแควนแล้วท้ามหาเสนาบดีก็จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมกับให้กำลังใจพระภิกษุเหล่านั้นด้ตัวของท่านเองอยู่เสมอๆนอกจากมหาเสนาบดีจะทุ่มเททำหน้าที่ฝึกอบรมพระภิกษุและดูแล ง, งานเผยแผ่ตามหัวเมืองต่างๆ าภายในแควและภายนอกแความาอย่างตลอดต่อเนื่องโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือความยากลําบากแล้วกามหาเสนาบนดียังได้ทําหน้าที่เป็นเสมือนด่านหน้าของพระเทศละที่คอยต้อนรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาจากทั้งภายในแควและภายนอกแควอีกด้วย <c oughs> <c oughs> ตาดีนะ แม้ว่าท่านมหาเสนาบดีจะมีภ า, ารกิจงานพระพุทธศาสนาที่ยะแยะมากมายนักขนาดไหนก็ตามแต่ตัวท่านก็จะแบ่งเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำกิจวัตรกิจกรรมโดยไม่ละทิ้งหรือขาการปฏิบัติธรรมเลยแม้แต่เพียงวันเดียวเรียกได้ว่า ในพุทธันดานที่ผานมาทั้งภารกิจและจิตใจท่านมหาเสนาบดีได้ทำควบคู่กันไปอยู่เสมอเพราะเป็นเช่นนี้จึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีสามารถรักษาธรรมภายในและความละเอียดทางใจเอาไว้ได้อยู่ตลอดเวลาไม่เพียงแค่นั้นในยามที่ท่านมหาเสนาบดี ว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานของหมู่คณนะตัวท่านก็จะใช้เวลาที่มีค่านั้นนะ่ะหารมาศึกษาธรรมะเพิ่มเติมจากคำพีโบราณในพระพุทธศาสนาอยู่เสมอเสมออีกด้วยซึ่งท่านมหาเสนาบดีก็จะนำความรู้ที่ได้จากทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัตินี่อนตะตกพรึกเป็นบทฝึกและก็เป็นแนวทางในการ ฝึกฝนอบรมตนเองอีกทั้งยังนำบทฝึกและแนวทางดังกล่าวมาแนะนำแก่เหล่าพระภิกษุสำเนนผู้บวชใหม่รวมถึงบทสุปสิกาที่มาสั่งสมบุญที่วัดใหม่ในยุคนั้นอีกด้วยและถ้าหากท่านมหาเสนาบดีมีความสงสัยใครหรือหรืออยากที่จะศึกษาหัวข้อธรรมะ ในหมวดใดเพิ่มเติมเดียวยาสายที่ตัวท่านเป็นคนทำาอรไรทำจริงไม่ปล่อยผ่านจึงทำให้ตัวท่านชอบที่จะนามาคาถามที่ตัวท่านเตรียมเอาไว้มาสอบถามกับพระเถระผู้สืบทอดพิชาจากพระมหาเถระขยายความกระจายในธรรมะอยู่เสมอเสมอซึ่งพระเถระก็จะไขข้อข้งใจในธรรมต่างๆเหล่านั้น ทางภาคปริยัตและปฏิบัตโดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งให้กับท่านมหาเสนาบิีอยู่เสมอเสมอ <c oughs> ดีไหมา่าเป็นเช่นนี้จึงทาให้ท่านมหาเสนาบดีสามารถที่จะนำธรรมะที่ตัวท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติและศึกษามาอย่างดีแล้วมาตกตะกอนเป็นบทฝึก หรือเป็นหลักสูตรการฝึกฝนอบรมตนเองที่มีมาตรฐานอการสร้างคนดีแบบเป็นขั้นเป็นตอนให้ยิ่งย่งขึ้นไปซึ่งหลักสูตรการฝึกฝนอบรมตนเองที่มีมาตรฐานนี้นะท่านมหาเสนาบดีก็ไม่ได้คิดและทำเพียงลำพังเพียงคนเดียวแต่ท่านยังมีทีมงานพระภิกษุรุ่นใหม่ๆซึ่งเป็นพระภิกษุผู้มีเป้าหมายและอุดมการในการ เผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมการไปทั่วทุกแกวนที่ตัวท่านฝึกขึ้นมามาช่วยดูยแลบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร ด, ดังกล่าวควบคู่ไปกับตัวท่านอีกด้วยในเวลาต่อมาเมื่อพระภิกษุอรุนให ม, ใหม่ที่ท่านมหาเสนาบรีได้ฝึกขึ้นมาแต่เป็นพระอาจารย์ที่มีความแตกฉานในธรรมะทางภาพประยัต ปฏิบัติและปฏิเวทแล้วทัานหมหาเสนาบดีก็จาเมตตามอบหมายให้พระภิกษุเหล่านั้นหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นธรรมะเทศสอนธรรมะให้กาาับสาธิชนผู้มีบุญที่มาสังสมบญทีวัดใหม่แทนตัวท่านอยู่เสมอเสมอโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ทัานหมหาเสนาบดีจะต้องออกเดินทางไปตามหัวเมืองต่าง เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระภิกษุที่ประจำอยู่ตามวัดสาขาต่างๆทั้งภายในแคว้นและภายนอกแคว้นพระภิกษุอรุณใหม่ซึ่งเป็นทีมงานพระอาจารย์เทศสอนเหล่านี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องงานเทศสอนธรรมะของธรรมาเสนาปีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเมื่องานเผยแผ่ พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในยุคนั้นมีความเป็นระบบระเบียบและมีการทำงานเป็นทีมเช่นนี้นะในที่สุดกิติศัพท์อันดีงามของบทฝึกต่างๆที่ท่านมหาเสนาบดีพร้อมกับทีมงานพระภิกษุของท่านได้คิดพัฒนาขึ้นก็ได้แผ่ขยายจ้ไมที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ในยุคนั้นเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เป็นผลนำให้ไม่ว่าธรรมหาเสนาบดีจะเดินทางไปปฏิบัติศาส น, านกิจที่ไหนก็ตามก็จะมีคณะสงฆ์ที่จำารญสาอยู่ณที่นั้นๆมาสอบถามและขอคำปรึกษาในเรื่องธรรมะและบทฝึกในการพัฒนาตนเองจากท่านมหาเสนาบดีอยู่เป็นประจำเรียกได้ว่าธ ร, รมหาเสนาบดีเนี่ยได้กลายเป็น พระเถลระผู้ใหญ่ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบผู้ชี้ทางสว่างในการฝึกคนของยุคนั้นเลยทีเดียว<า>แม้ว่าตามาเสนาบดีจะมีทีมงานพระภิกษุรุ่นใหม่เกรดเอบวกๆที่เข้มแข็งและเต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์และเป้าหมายมาช่วยสานงานเผยแ ผ, แผ่วิชาธรรมกายทั้งที่วัดใหญ่และตามวัดสาขาต่างๆแล้วก็ตาม แต่ท่หมหาเสนาบดีก็ยัง ค, งคอยตามไปให้ธรรมะและคอยตอบย้ําเป้าหมายอุดมการณ์อีกทั้งยังคอยให้กําลังใจกับทีมงานพระภิกษุเหล่านั้นโดยตัวท่านเองอยู่เป็นประจำโดยไม่เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยยากของตัวท่านเลยอีกด้วยเพราะเป็นเช่นนี้จึงทําให้ทีมงานพระภิกษุรุ่นใหม่ๆ ที่ทำหน้าที่เผยแผ่เหล่านั้นมีความรู้สึกซาบซึ้งใจอบอุ่นใจและก็ปิติใจทุกครั้งที่ทันมาเสนาบดีได้เมตตามาเยี่ยมมาให้กำลังใจและให้ธรรมะกับพวกตนเช่นนั้นเมื่ทีมงานพระภิกษุอรุ่นใหม่ๆที่ทำหน้าที่เผยแผ่จะมีความรู้สึกที่ปลื้มปิติใจแล้วทีมงานพระภิกษุ ร, รุ่นใหม่ๆเหล่านั้น ยังมีโอกาสได้ปรึกษาและเล่าถึงเรื่องราวประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่บกตนได้เจอมาให้กับท่านมหาเสนาบดีได้ฟังอีกด้วยซึ่งทุกครั้งที่ท่านมหาเสนาบดีได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากพระภิกษุเหล่านั้นท่านมหาเสนาบดีก็จะให้คำปรึกษาและก็ให้คาแนะนา รวมถึงให้ในโยบายหรืออวาตแจกพระเถรละผู้สืบทาววิชาต่อจากพระหมหาเถรละให้กับทุกๆรูปได้รับทราบอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทาให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมการในยุคนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็แผ่ขยายออกไปได้อย่างกว้างขวางส่วนว่าเรื่อ ง, องรางธรรมาเสนาบดีของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น เราคงจะต้องมาติดตามรับฟังกันในตอนต่อไป